วันนี้ลองตะเวนดูพระที่เก็บอารมณ์กันหยิบสองรูปไาอยู่ตรงไหนกันบ้างก็มีบางรูปกลางเต็นนอนกันฝนตกก็เปียกบางจุดถัวแล้วน้ามันก็ไหลเทถ้าฝนตกหนักๆก็หอว่อาเต็นไปได้ก็ยังไม่บอกให้มีประสบการณ์ เรียนรู้ตรงตัวใครตัวเรากันประสบการณ์เนี่ยมันดีบางท่านก็จุดเทียนทาวัดเองอยู่ที่ป่าช้ามีศาลาพักศพอยู่ตรงนั้นจุดเทียนทาวัดจุดเงินกันก็มีหลายๆบรรยากาศ บางรูปก็ได้นอนกุฏิอย่างดีเลยเราก็ไม่ว่ากันมาก่อนได้ก่อนมาหลังได้หลังหรือมาหลังอาจจะได้ดีกว่าว่าโทรศัพท์มาจองคิวอาศัยเส้นก็แล้วแต่กันว่าไปที่พักที่หลับที่นอน รู้แหล่งอาหารออกมาตักอาหารน้ำดื่มเสนาสนะหรือว่ารู้จักรักษาจีวรมันมุ้งต่างๆก็เรียกว่าพิจารณาตามมีตามได้สัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์วิสาขาบูชา ก็เตรียมเฉลมมฉลองกันละตรงนี้วันโกนรุ่นนี้ก็วันพระใหญ่ก็ลองคำนวณเอาอนุมานเอาวันนี้ก็เป็นวันที่เจ้าชัยกิตสัตคงจะกระซับกระสายพอสมควรละหลังจากบำเพ็ญทุกขคริยามาเข้าปีที่หกอั น, นีก็รั้มไม่ใช่ทาง อดข้าวอดน้ำทรลออดทนอดแกลั้นเป็นผอมแห้งแรงน้อยก็ว่ากันว่าเอาเนิ้วมาจิ้มตรงพุงน่อนะดัานนา้ำทะลุไปถึงด้านหลังเนี่ยเวลาแตะด้านหลังมันสัมผัสได้ถึงด้านหน้าผอมผอมแห้ง เคยมุดเข้าไปดูในถา้าดงคาซิลิในประเทศอินเดียไปมันจะมืดมือสลวสลั ว, ลวจุดเทียนหรือว่าส่องไปฉายจะเห็นก้นเป็นโลปปั้นนะะเส้นขึ้นตามแขนตามคอตามหน้าปวดเลยที่ว่ากระจกกระใสเพราะว่ายังแก้ปัญหาไปใ น, ในใจิตใจไม่ได้ หลังจากอยู่กับลำกระดาษบทรุตกระดาษบทได้สมาบัดเจ็สมาบัตดแปดอาจารย์บอกเรียนจบแล้วมาชวยกนสอนแต่ใจแตยังคิดว่าเออยังมีความทุกข์ยังมีปัญหาเกิดขึ้นภายในจิตใจอีกเช่นคิดถึงปัญหาพิมพพาคิดถึงพระพราชโจรสปลาหุน่นคิดถึง จักรพรรดินนการเป็นกษัตริย์แล้วก็เป็นใหญ่กษัตริย์ต่อกษัตริย์ยอมรับซึ่งกันและกันให้เกียรติเป็นราชาของราชาก็นึกถึงกห็หัวนิตต่างๆนานาพอคิดว่าไม่ใช่ทางก็จึงสแสวงหามุคธรรมด้พระองค์เองทดลองพิสูจน์ เห็นมีโยคยีเห็นมีโยคะทำอาการกิยาแปล ก, ปลกนอนเสียนนอนหนามเขาคอฝังไปในดินอดเข้าอดน้ำมาลองทำดูจนเอาตัวแทบไปหลอนครั้นี้ได้ยินเทวดาในญานหนึ่งก็าบอกเทวดา มาดินมามาดีดพินสามสายนะนะาได้นั่งกระเตาทอยู่ตะโกนไม้ที่พื้นดินเรจแล้วได้ยินกรดาดีดพินสามสายตึงไปก็จะขาดย่อนไปก็จะดังไม่เล่ะถ้าพอดีพอดี เสียงมนดังไพเราะดีก็เรียกว่ามัชฌิมาปฏิวัตทา ง, งสายกลางอีกในายา่าหนึ่งบ า, าอาจารย์กําลังสอนลูกศิษย์อาจารย์เป็นนักดนตรีกําลังสอนลูกศิษย์ไพเรือไปได้กันทรายก็ว่าทงก็นั่งอยู่ไปเห็นอาจารย์กำลังสอนลูกศิษย์ ถ้าตึงไปก็จะขาดหย่อนไปก็ยังไม่เพราะความพอดีทางสายกลางมัชจิมาปฏิปทาตึงไปเรียกว่าอัตตาหรือม่ถานุโยกหย่อนยานไปเรียกว่ากามาสุขาเลกานุโยกวันนี้เราได้เจอไหมพิมพ์สามสายขนะหปฏิบัตินะ ย้อนไปก็เผอคิดฟุ้งปรุงแต่งไปอดีตเป็นสุขอดีเป็นทุกข์เกเรองาแล้วไอ้ที่ว่าเป็นสุขก็คือการมาสุขาลรการนโยคคิดถึงเรื่องการอารมณ์พยานอยากรสชาติทางตาหูจมูกลิ้นกายใจปรงุรงแตง่ตงแตง่ตงนึกถึงความสุขนึกถึงความสบาย ปฏิบัติธรลมมันลำบากนึกถึงความสุขที่ตัวเองเคยได้เคยแสบแล้วก็อยากได้ใหม่นี่เป็นกรรมมาสุขาริการุโยกคิดถึงการงานเคยมีปัญหามาคิดว่าเออปัญปัญหามันจะหมดไปปฏิบัติธรรมแล้วจะไม่มีปัญหาคิดแล้วมีความสุขขึ้นมา เพราะว่าตอนนี้ไม่ได้รับรู้ปัญหารู้กำลังแปรปัญหานี่ก็เป็นกรรมมาสุขาริยาโยกคิดถึงความสบายแต่ปัญหายังไม่ได้แก้ยังไม่ได้เหมือนที่ว่าจัดการที่ต้นเหตุอัตตาขึ้นมันทายโยหมายถึงมันทายมันลําบากมากมันทุกข์มันทุกข์มันปวดมันเมื่อยมันง่วงมันเบื่อมันแก๊กเงเพ่งจ้องอยนางนั้น มันรู้สึกมันตึงๆหน้าตึงไปหมดปวดหลังปวดเอวปวดไหล่ยกมือก็ปวดขาฟังให้ดีนะยกมือนําปวดขาแทนที่จะเมื่อยมือมันไปเมื่อยขาแทนมานั่งกดทับเนี่ยนะเส้นมันยึดปวดหลังปวดเอวเวลาเดินในปวดไม่ปวดมือให้สังเกตแทนที่จะปวดแข้งปวดขานําปวดไม่ปวดมือปวดไหล่ปวดคอ เราก็จะทุกข์ล้กันเนี่ยอัปตากิมฐานโยทวางกายแต่พอดีวางใจแต่พอดีนะมันถึงจะเจอจุดพอดีที่เรียกว่ามัจจิมาปฏิปทาเวลาจิตมันรู้สึกตัวเป็นปกติถึงจะเจอมัจจิมาปฏิปทาทางสายกลางกายก็ผ่อนคลายใจก็สบายมันจะเป็นความสะดวก ในการใช้บทเดินตรงกลมนั่งสร้างจังหวะหรือจะทําทการงานใดๆก็าตามมืจะทําทไปเรื่อยเป็นลทัทธิทําไปเรื่อยแค่ไหนพอมันก็ไม่พอหลงก็ทําไปเรื่อยปฏิบัติไปเรื่อยเหมันก็หายใจน่ะแค่ไหนพอก็หายใจไปเรื่อยนะรับประทานอาหารนะแค่ไหนพอก็รับประทานไปเรื่อยๆ มันกระเสรไปมือหนึ่งมือหนึ่งมือนึงมันก็หายใจไปขนาดนึงขนานึงขนานึงการปฏิบัติทำก็เหมือนแค่เป็นหนึ่งเนี่ยเราก็รู้สึกรู้สึกรู้สึ ก, ร, สกรู้สึกตัวไปเรื่อยๆทําไปเรื่อยๆมันมีการวางกายวางใจอยู่ตัวนี้เราเรียกว่าสมดุลหรือว่าความพอดีก็ไว้ละมันเป็นความพอดีของยบด การเคลื่อนการไหวไม่ช้าไม่เร็ววินาทีหนึ่งรู้ครั้งหนึ่งกระทบสัมผัสรู้สึกกระทบสัมผัสรู้สึกรู้สึกไปเรื่อยๆทีนี้พอเจอทางสายกลางมัจจิมาปฏิปทาที่มันได้เอียงซ้ายเอียงขวามันก็เกิดปัญญาแตกฉานตรงนั้นละตรงจุดที่เรียกว่าปกตินะมันก็เห็นแบบทะลุทะลวงขึ้นมาเลย เห็นบรรลุธรรมนามธรรมมูนะเห็นตัวความคิดมันเห็นอาการของความคิดมันเห็นอารมณ์แต่ละอารมณ์เป็นปลากรดหรือว่ารูระทบตาเสียงกระทบหูมันจะเกิดปัาเข้า อ, อกเข้าใจขึ้นมารู้อารมณ์ต่างๆที่มันเคยหลงเงี่ยมันก็รู้ชัดขึ้น บางทีมันโกรธอยงเงี้ยมันงดหงิดเงี้ยมันรู้ว่ากรธกับงดหงิ ด, งดมันก็ลาการกันเวลามันร้อนลุ่มทั้งตัวกัมันเริ่มที่จะว่าไหวจิตเคลื่อนว่าไหวหลวงไปในความคิดทันที่รู้เนื้อรู้ตัวกับการเคลื่อนไหวในเอวัดใหญ่สี่นั่งเดินยือนนอนมันเริ่มเสื่อมก็เผลอไหลแบบก็ไปหายไปเลย หลงลืมไปลยลืมเนืลืมตัวคำว่าหลงลืมคือขาดสตินะมันก็ลืมเนื้อลืมตัวลืมเยียบบดแต่ล้วมันก็หายไปเลยจะารู้สึกตัวเที่อา้าหลงเผลอไปตั้งนานวันทีก็หลงคิดไปตั้งนานหลงไปในความหลับตั้งนานนั่งสงกนั่งสงบหลงก็ไปนในความสงบตั้งนานมารู้สึกตัวที่เอเ อ, อเคลื่อนมือและออกมาได้ เจอไมวันในประสบ ก, การณ์แบบนี้ต้องเจอนักปีติธรรมต้องเจอการเดียวต้องมีประสบ ก, การณ์แล้วเป็นประสบ ก, การณ์ที่เหมือนกันซะด้วยว่าร่ อ, องรอยเดียวกันตดลองเพลงหนึ่งกันหนักๆแน่ น, นๆนเครียดและนะแล้วก็น่าจะดำลงดำลงดำลงหน้าซีดหน้าเซียวหมดกําลังใจเดี่ยวแรงก็ไปมีนะยกมือนะแต่วันไหนมีพลังขึ้นมานะ ดูว่าชั่วโมงไหนมีพลังขึ้นมามันผ่านนี้วรณธรรมได้กันแน่โอ้มันตื่นตัวยิ้มแย้มแจ่มจใสผ่องใสกตือรือร้ น, ร, นรู้สึกว่าเออมันอยู่ได้แน่นอนสี่สิบวันนะแต่้าอารมณ์ตอนต้นที่มาก็คือความหมักมามันก็จะคิดนะยอ้จะไหวไหมเนี่ยเป็นสี่สิบวันมันจะไหวไหมเนี่ยมันจะเริ่มแล้ว มีอาการพอแท้เล็กๆเกิดขึ้นมาแล้วเดี๋ยวมีอาการคืดสู้เกิดขึ้นมาเฮ้ยไหนๆก็มาแล้วอย่างนี้นะมันจะคิดชวนให้เราไม่ปฏิบัติเนี่ยเราก็รู้เท่ารู้ทันมันจะเกิดอะไรขึ้นมาก็แหวออกแหวกออกเจตนาแหวออกรู้ในสิ่งที่กําลังทํารื่อกรรมมรรคใส่ใจสนใจอยู่กับสิ่งที่เรากําลังทำพุ่งออกมาแหวกออกมาเมื่อเช้าแต่เราฟังเทศน์นี่ย หลวงพ่อมาพูดอยู่คำเพิ่งได้ยินนะหลวงพ่อพูดอยู่คำอยู่กันมาสิบสี่ปนะปีนะเพิ่งได้ยินเมื่อเช้าพูดอยู่คำโยมจะจําได้หรือเปล่าลูอารามาจำได้มาชอบพูดมาสองสามครั้งแล้วคำคเนี้ยแต่หลวงพ่อก็พูดเมื่อเช้านะคําว่าช่องแคบเมื่อเช้าใครจับประเด็นตรงนี้ได้บ้างหลวงพ่อปฏิบัติมันเหมือนกับผ่านช่องแคบ นนมันมามันมีความสุขอย่างนั้นนะเหมือนกับสองอย่างมันกดทับก็คือรูปขั น, นกับ น, นามขันนั่นนะมันกดทับมันเป็นทุกข์อ่ะทุกข์ว่ารูปขันทุกข์ว่านามขันนะแล้วเหมือนกัแทรกแทรกก็ออกมาแทรกแซรก็ออกมาแล้วก็เคยได้ยินหลวงพ่อท่านพูดถึงว่าเวลาเราใกล้ตายนะนเวลาใกล้ตายแล้วเรามีสติเยอะมันจะมีชาปั้งพลาด วิชาตั้งท่านก็ได้ยินนะเคยได้ยินดาวณิสศาสต์วิทยศาสตร์ะสังคมพละอะไรแบบนั้นนะในวิชาตั้งธานคนที่ฝึกสติมันจะมีวิชาตั้งท่านเกิดขึ้นมันเลือกได้ทแผลมลมหายใจนาอาการเดียวกันแหลมมันมาหายใจเต็มที่มาหายใจไม่เข้าควจะตายเลยไม่แต่าหายใจออกออกออกอ อ, ก อ, อก จะเข้าเนี่ยไม่เข้าคราวนี้ท่านก็แหลมแหลมแหลมลมหายใจหายใจนิดนึงอ่ะแหลมหายใจไม่ได้ทิ้งไปหายใจไม่ได้เราทำไมหายใจมันแมวชีวิตไปฝากแหวแหวนกลมหายใจคราวนี้ฟังรู้สึกประทับใจนะเพราะทุกคนการรักษาลมหายใจห่วงลมหายใจห่วงทา่าห่วงกันแต่เวลาจะตายจริงมันมีการปล่อยวางมันหายใจไม่ได้เราทำไมหายใจมัน แล้วเดี๋ยวมันก็ช่วยตัวนเองอยู่หรอกถ้าไม่อยากตายนะมันจะค่อยๆถานลมสู่ลมอ่ะถ้ ด, ดีสู่ดีอ่้ามดีก็ต้องเรียกว่าไหลออกไปถ่ทเทออกไปพระเจ้าท่านพูดว่าช่องแคบมันเป็นอย่างนั้นนะ่ะเพราะนั้นเวลาปฏิบัติาต้องแยบคายนะถึงจะเจอไอ้ตัวช่องแคบเนะี่ยต้องแยบคายโดทแบบลูกลี้ลูกลน กระเปิบกระปับ๊บไม่ได้เลยทําไปคุยไปก็ไม่ได้เราก็ต้องนิ่งๆเราสั ง, งเกตอันดับแรกก็คือสภาวะของธรรมรัมเป็นกลางๆมีอยู่ตรงไห น, นยกไมย้ยกมื อ, อกลางๆธรรมดาธรรมชาตินะมันเป็นยังไงเราสังเกตดูจะไปหานะถ้าหาก็ไม่เห็นมันเป็นธรรมะตันหาอันนี้ไม่ต้องหา ฝึกไปแล้วลองสังเกตเวลาเราเป็นเด็กเด็กเรสึกเป็นไงทำอะไรไม่เก้อไม่เขินไม่เก๊กไม่เกรงเป็นธรรมชาติอิสระเรารู้สึกเป็นไงธรรมชาติธรรมชาติของเราธรรมดาธรรมดามันก็เก้อเขินเินไม่ใช่นะมาให้สังเกตดีๆเวลาเคลื่อนมือน่ะธรรมดามารดารับรู้ความรู้สึกตัวธรรมดามากเลยบางทีอาจจะมีความคิดเกิดขึ้นมา พอปฏิบัติเนีเช่นพุโทโธมาเฉยเลยเราจะเคลื่อนมือสัมผัสมันพุโทโธมาในใจบางทีก็หนอโปลมาในใจอันนั้นอดีตมันเป็นวิบากเป็นกรรมที่เราเคยทำเอาไว้กรรมฐานนะเคยทําแบบพุโทโธพุโทโธก็ลงมามันเคยติดอยู่ในใจประทับอยู่ในใจมันต้องโผล อะไรก็ตามทั้งชีวิตมันโผล่มาหมดนั่นอ่ะอยากก็มีละเอียดก็ดีมีก็ดีไม่มีก็ดีบางทีมันก็มีอะไรมากมายแล้วก็เกิดด้วยมาเราก็รู้เท่ารู้ทันไม่ห้ามความคิดความคิดชนไหนโผลกันมาคือความคิดทั้งหมดนั่นคิดดีคิดไม่ดีมันคิดแบบคำบริกรรมมีค่าเท่ากันคือตัวคิดเนะ่ยเราก็รับรู้เฉย รับรู้ความคิดแล้ว ก, กลับมาสัมผัสรู้ความรู้สึกตัวทำหนาที่แค่นี้พอนะเราไม่ห้ความคิดมันคิดทําไมไม่อยากคิดนตัวคิดไม่ใช่ตัวปัญหาแต่ว่าตัวไม่อยากคิดคือตัวปัญหานะให้รู้ไว้เพราะฉะนั้นเราก็จึงรู้ซื่ อ, อนะมันเกิดขึ้นมาความคิดกับรู้เท่ารู้ทันมันซื่ อ, อนะไม่ว่าอะไรกัน จะคิดแบบไหนเป็นบุญเป็นบาคิดแบบวิาพาวิจารณ์เฉยๆกลับมารู้เนื้อรู้ตัวต่อไปจนขวายสติมันจะเด่นพอสติปัฏฐานเกิดขึ้นมาแล้วมันเด่นขึ้นเด่นขึ้นเด่นขึ้นความเป็นปกติมันเด่นขึ้นเด่นขึ้นเด่นขึ้นมันจะรู้ได้ว่าพื้นที่ตรงนี้ยมันค่อยๆสว่างออกสว่างออกสว่างออกมันมีอยู่เราจะเข้าใจอ๋อมันมีที่พักจิตพักใจะ ที่เรียกว่าช่องแคบช่องแคบกลายเป็นช่องที่กว้างขึ้นกว้างขึ้นปกติมากขึ้นน่ะแหละจากนั้นเป็นที่แทรกออกจากอารมณ์อย่างดีแล้วระหว่างรูปธรรมนามธรรมมันอยู่ตรงกลางพอดีมีเอียงซ้ายมีเอียงขวามันเป็นกลางเป็นความยุติธรรมเมื่อก่อนนั้นไม่ยุติธรรมทุกกายก็ถึงใจทุกใจ ก, ก, รกระทั่งไปที่กายเช่นทุกกายนะ เจ็บปวดเมื่อยมันพาให้ใจเราทุกข์เลยเวลาร่างกายเรามันหิวเนี่จิตใจมันก็มีความทุกข์ด้วยไม่ยุติธรรมนะรื้ว่าบางทีนะเราป่วยใจมันก็ป่วยด้วยอันนี้ไม่ยุติธรรมหรือว่าเรื่องของจิตใจก็ท้อก็แทกกระเทือนไปถึงร่างกายเช่นเราโกรธเนี้ยนะ คิดแล้วก็โกรธมีอารมณ์โกรธเกิดขึ้นมันก็มีผลต่อต่ำคิดแล้วก็กลัวมีความกลัวเกิดขึ้นมามีผลต่อไตกลัวจนเย่าล่าอย่างนี้นะมีผลสัตว์นี่มันกลัวในเย่ยวเล็ดเลยนะเคยจับ ง, งูมีดเทียนตัวนี้น้ําหนักสี่สิบสามกิโลงูตัวเนี้เคยไปช่างเวลางูเหลือมเค้ไปจับได้จากป่าชาวบ้านําไปกินไก่ชาวบ้าน เสร็แล้วก็จับมาปล่อยวัดนะสามคนก็ช่วยกันหามผมและธรรมานี่จับอยู่ตรงกลางอาจารย์สุทัศน์นี่จับหัวแล้วก็มีพระอีกรูปหนึ่งพระประจักษ์จับอยู่หางเดินไปที่ดงไผ่กันกลัวไหมงูยอมกลัวไหมมันนั้นกลัวแต่อยากจับมันดูพราะกลัวเลยอยากจับมันดูสัมผัสมันดูกลัวสิ่งไหนก็จะลุยใส่เข้าหาสิ่งนั้นนั่น เหมือนเมื่อเช้าที่หลวงพ่อท่านพูดมาอยากรู้สิ่งไหนก็ต้องทําอย่างคนคนนั้นก็ทําว่าก็ทำํำ่ะหมายถึงยังไงอยากรู้ว่าเขาสะอาดลองคุยเขาดูคําพูดเขาสะอาดหรือไม่มีศีลมีธรรมหรือไม่อยากรู้เขามีปัญญาลองสนทนาเขาดูสักพักก็รู้ละมีปัญญาปัญญารู้ทันทีอยากรู้เขามีศีลก็ลองลองอยู่กับเขาดูนครับปกติไม่ปกติอย่างเงี้ยน่อย ออยากรู้ว่าเขาเป็นคนกล้ า, าหารหรือไม่ลองมีปัญหาดูาลอาทะเลาะบบาแว่งกันดูลองมีอะไรสักอย่างเข้ามาแบบสร้างความวุ่นวายเราเห็นว่าคนคนนี้กล้ า, าหารไม่กล้ า, าหารแล้วว่าใครจะแสดงออกลองป่วยล้มตึงดูคนเป็นหมออยู่เฉยไม่ได้ก็ เ, เชื่อว่าพระจันทร์หมอได้นี่พระหมอปวดอยู่ก็ เ, เชื่อว่าคงอยู่ไม่ได้ก็ต้องเดินมาแสดงตัวผมมีความรู้เรื่องหมออย่างนะ้มันก็จะรู้ด้วยกัน เพราะนั้นกลัวเนะี่ยมีผลต่อใตดีใจมีผลต่อหัวใจดีใจหัวใจมันเต้นเร็วนะหัวใจวายตายได้ดีใจลูกหลานเหลียญโลนชนะเลิศได้เหรียญทองโอลิมปิกเงี้ยหงายท้องเลยปู่ย่าตาทวดเชียร์อยู่ทางทีวีที่บ้านยอันนี้เราไม่ยุติธรรมเราก็จึงฝึกนะหัปฏิบัติธรรมกนะันสี่สิบวันเนพะื่อใเห็นกระวาการยุติได้ธรรม ทุกอย่างเป็นกลางระหว่างคนสองคนเนีหมือนก็ทะลาะกันเราอยู่ตรงกลางทั้งหมดอนตรงกลางระหว่างทุกสิ่งทุกอย่างมันมีอยู่นะมาเริ่มต้นจากตรงกลางที่มันเห็นจากรูปธรรมนามธรรมนตรงกลางเกือความ ว, าว่างจากความหมายความเป็นตัวตนตรงนี้หรือเรียกว่าสูญาตาอว่าได้สู์มีค่าท่ากศูนยญบวกเป็นสุขรลบเป็นทุกเนียบวกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ ลบเป็นทุกน <se participar> ่ะกลตั computer, well. so so ically, so смотрите, so so ้งแต่ศ so so so ูนย์หนึ่งสงสามี่ห้าเจ็ดแปดเ้าสิบย่าเราก็รู้ศูนย์จดศศมันดีกว่าเดังนั้นเราก็เจอที่พึ่งปฏิบัติจนได้ที่พึ่งพึ่งตัวเองได้พึ่งใจตัวเองได้พึ่งกายพึ่งใจตัวเองได้พึ่งกายได้เกิดคุณค่าพึ่งใจได้เกิดคุณค่าพึ่งความคิดได้เกิดคุณค่าถ้าพึ่งความคิดไม่ได้พึ่งจิตใจไม่ได้มันก็ค่าคุณเดี๋ยวก็หัวเราะเดี๋ยวก็ร้องไห้ฟูฟูแฟบแฟ คุ้มดีคุ้มร้ายทั้งวันมันจะไหวไหมเป็นสัมปเวสีจิตไม่มีที่อยู่จิตไม่มีหลักแหล่งไม่มีหลักใจไม่มีหลักกรรมฐา น, ไ ม, มฐานไม่เคยฝึกหัดนะเพราะฉะนั้นก็จึงพูดนมื่อวานยินว่าถ้าว่าเราปฏิบัติธรรมเราก็ได้เห็นแง่มุมต่างๆมากมายแต่การบรรรมวัดฟังเทศฟังธรรมร้ได้ยิน จากผูลล้รู้รู้จริงรู้ไม่จริงก็เทียบเคียงเอาเองแล้วกันจากการปฏิบัติถ้ารู้สึกตัวอยู่ไม่หลงไปในความคิดเยมันมีจริงหรือเปล่าถ้าหลงไปในความคิดนก็ลืมเนื้อลืมตัวมั น, ม, ly, ม, นมีจริงหรือเปล่าเหมือนกับเก้าอี้ตัวเดียวกั น, นเวลาตัวหลงมันนั่งตัวรู้ก็ไม่ได้นั่งถ้าตัวสติตัวรู้มันนั่งตัวหลงก็ไม่ได้นั่งถ้ารู้สึกตัวอยู่จิตคิด ฟุ้งปรุงแต่งไปทางอวุโสมันก็ไม่มีความรู้สึกตัวอยู่เยเวลารู้สึกที่ฐานกายอยู่มันก็ไม่ได้เข้าในเข้าความคิดทั้งหมดนพอมีการสัมผัสรู้นะรูปธรรมนามธรรมมันก็เกิดขึ้นก็รู้ทันได้นรู้ว่ามันรู้สึกตัวอยู่ก็ของตา ย, ยมันเป็นลักษณะของวิชากรรมฐานที่มันพายเราไม่เข้าไปในความคิดออกจากความคิดทุกๆค น, นที่รู้สึกตัวเนี่ย มันก็ปลอดภัยอยู่แล้วไม่เกี่ยวกับทำจะรู้อะไรไม่รู้อะไรมันเกี่ยวกับรู้สึกตัวมันก็ปลอดภัยอยู่ทุกๆขณะรู้ลมหายใจก็ได้แต่ว่าละเอียดหน่อยกันที่เคลื่อนไหวรู้สึกนะมันรู้มันมีเจตนากําหนดมีเจตนาเคลื่อนไหวกํากับไอ้ตัวนี้แหละมันจึงเป็นกรรมฐานจะทําไป ล, ยลอยๆยกไป ล, ยลอยๆไม่ได้ใส่ใจลงไปไม่มีเจตนากําหนดรู้กํากับเอาไวนะ้มันเป็นกตตกรรม เคยไดไมกตตกรรมเป็นกรรมที่ไม่ให้ผลนะทางานทั้งเดือนแต่ไม่ได้เงินอย่างเงี้ยแถมถูกปรับโดยกัรว่าด้กรรมฐ า, านเนั่อต้องใส่ใจลงไปใส่เจตนาลงไปไม่งั้นจะเป็นโมคนะโมคะตละวันตะวันทาแล้วเป็นโมคนะไม่งอกไม่งามเลยเหี่ยวลงเหี่ยวลงเดือยศรัทธาตกประเพณท้ายก็คือหมดกําลังใจ ทำแล้วไม่เห็นได้อะไรเลยเอาก็ทําไม่ถูกนะถ้าทําถูกถูกทําก็เดินทางมาเดินทางสูงม่มรรคส่ผละมันจะเกิดขึ้นเราก็จะได้เห็นและแต่ละวันแต่ละวันมีพัฒนาการแน่นอนฝนจะตกก็ดีแดดจะออกก็ดียุงจะมา ก, ก็ดีกิ้งคือจะมา ก, ก็ไม่หวาอะไรสัตว์สาราสิ่งอยู่ด้วยกันนะั่นแหะอยู่แบบไม่ต้องหวาไม่ต้องกลัวไม่เกงอะไรเหมน มันก็เป็นอันหนึ่งเดียวกันเลยเขาก็ขัวเราเราก็ขัวเขาก็เออต่างคนต่างกลัวกันก็เรียกว่ามีความเก่งโอกเก่งใจกันะแต่อยู่ด้วยกันน่ะนะในไหนก็ไหนไหนแล้วะถือว่าทำมมันเป็นเรื่องเดียวกันธาตุน้าธาตุไฟธาตุดินธาตุลมอ่ะอย่างเนี้ยบางทีมันมีเมตตาด้วยนะพอมีเมตตามีข้านามีมุตตามีเบกขาก็อยู่กันได้อีกนะะเพราะนั้นทุกๆอาการทุกๆอารมณ์ทุกๆกิริยานะ เราก็ใช้เป็นความรู้สึกตัวเท่าที่มันจะมีกําลังของสติของปัญญารู้เท่ารู้ทันนถ้าเราจะอยากรู้เท่าไหร่มันก็ไม่รู้หรอกเพราะธรรมะกําลังเป็นอย่างที่มันเป็นมันไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดธรรมะนะมันกําลังเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาแต่เรามีตาในเห็นมันสอดส่อนอยู่ทั้งได้สัมผัสนะมันหรือไม่ถูกเนี่ยสำคัญเราก็จึงเรียกว่าใช้เแต่ละ9ของการเคลื่อนกันไหวนะ ความรู้สึกตัวแต่ละขณะเป็นการเดินทางเดินโดยที่ไม่รู้ว่ามันเดินแล้วจะเจออะไรนแต่ก็ขอให้เพียงแค่ว่าสัมผัสแล้วมันรู้สึกได้ก็แล้วกันทุทุกๆขณะก็เท่ากับว่านีา่พ่านน้อยๆปรากฏแล้วล่ะหมายถึงความเป็นปกตินมันค่อยๆปรากฏออกมาให้เราได้เหมือนกับว่านเป็นอ น, นิสงส์เป็นผลของการปฏิบัติทุกๆกขณะ จากการได้ยินได้ฟังอาัยลงมือกระทำฉะน้นมันมีผลทุกๆขณะแก่ผอมลอมฤทธิ์นะนะพยายามเกินไหวขยันนะมีปริญญานะมีวุสานะพยายามที่จะเหมือนกับว่าเกินไหวรู้สึกนะแบบไม่ดือ้อแบบว่านอนสอนง่ายเหนะมือนกับว่าบางทีมันมีหลายรูปแบบเต็มตีกันนะนะบางทีมันก็มีแบบสามาละหัง หรือว่ายบหนอพองหนอหรือว่าพุทโธนะบางทีก็มีแบบอื่นอื่นอีกมากมายตามที่เราเคยไปฝึกไปหัดมานะมันจะแสดงออกมาให้เราได้เหมือนกับว่ารู้เท่ารู้ทันก็เพียงแค่ว่าจะรู้ทันมันได้ก็ออกมารู้สึกที่ฐานกายก็เลยพลิกมือรู้สึกตัวเคลื่อนหยุดขณะเคลื่อนให้รู้ความรู้สึกตัวขณะหยุดให้รู้ความรู้สึกตัวพอยกขึ้นมาก็ให้รู้การเคลื่อนนะ เคลื่อนก็นรู้หยดก็รู้อีกเนี่ยสัมผัสรู้ไปเรื่อยๆจนกระทั่งมันก็ว่ามันมีนิสัยนะรู้เท่ารู้ทันได้ไวทุกๆขณะที่มีการเคลื่อนไหวในรูปแบบนะจนกทํามันค่อยๆลามขึ้นมาบางทีก็ผัถุงกระทบหน้าแข่งนะเรื่องแกงกระทบหน้าแข่งสะบงจีวรกระทบหน้าแข่งจนกระทั่งมันขึ้นมาจนกระทั่งรู้ทั่วตัวนะกระพริบตาหายใจก็รู้นะ เลยที่เราไม่ต้องเจตนาเราเจตนาที่จะรู้กระทบสัมผัสหยาบๆที่สุดแต่ว่าสติมันซอยทีไปเองมันทีก็มารู้ลมหายใจบางทีมันก็รู้ลมมากระทบอย่างเงี้ยบางทีตาดูมันก็กระทบรู้สึกอันนี้เรียกว่าพัฒนาการของมันเริ่มละมันเริ่มดีไปรู้สึกตัวทั่วพร้อมของมันเองไม่ต้องสงสัยว่าเอ๊ะมันถูกหรือผิดไม่ต้องไปสงสัยอย่างนั้นแต่มันสงสัยว่าถูกรู้ผิดก็ให้รู้ว่าเออมันสงสัย นะพอมันรู้ว่าเออสงสัยกลับมารู้สึกตัวต่อนะกระจบแค่นั้นพอนะเพราะฉะนั้นการได้ยินในฟังมเราก็สรุปจับประเด็นนะแล้วก็มีความเชื่อประเภทที่ว่าทําดีก็ดีทำชั่วก็ชั่วทำการรมฐานนี่มันจะออกจากดีจากชั่วจากทางเหนือดีเหนือชั่วอย่างนี้นะให้เชื่ออย่างนี้นนะครูบาอาจารย์ท่านบอกไว้เจ้าหลวงพ่อเขียนท่านเทศไว้เออนะเราก็ได้ทำมาแล้วทั้งวันก็เห็นในนั้น มันมีจริงๆอาการที่ท่านพูดสิ่งที่ท่านพูดเป็นภาษาได้มันเป็นอาการทุกขณะที่เราปฏิบัติแล้วก็มีสติก็ได้สัมผัสทุกอย่างมันเป็นอาการที่เกิดขึ้นตัวตัวพร้อมตัวเนื้อตัวตั ว, ต, วตัวสรวงกายมันมีอยู่จริงๆเสร็จแล้วเราก็เดินอาลมเข้าไปด้วยตัวของตัวเองนั่นผมเลยจะมาเคยคิดอย่างนีน้สมัยที่เคยเก็บลมเมื่อเท่าประมาณ 13ปีก่อนเมื่อสิปีก่อนก็เคยมีความรู้สึกไม่อยากรู้อะไรมาแล้วอะไรมันจะมาให้รู้เดี๋ยวมันก็รู้มันเองหรอกหนังสือก็จะไม่ไปหาดูอะไรแบบนั้นสมัยก่อนห น, ะนังสือมีไม่กี่เล่มจะอยู่ที่ศาลานหน้ามีหนังสือเก่าๆของหลวงปู่เทียนเกินผ้าหลายรูปนิยมไปนั่งอ่านกัน หนังสือะไตรปกไปดั่งอ่านกันสมัยก่อนจะไม่มีลากไปที่คุติเลยหนังสือคือบังคับกันไว้อ่านตรงไหนให้ไว้ตรงนั้นแล้วก็เมื่อเข้าคุติได้มีตาสร้างจังหวะเดินจงกรมกันเสร็จแล้วตอนหลังเริ่มมีกลุ่มปฏิบัติมากมากขึ้นกลุ่มของโรงพยาบาลบุรีรัมกลุ่มคุณหมอ เขามากันก็กมีความรู้สึกว่าที่นี่มันไม่มีตำราเลยเลยที่พูดเนี่ยมันก็พระหนุ่มบวชใหม่พูดไม่น่าเชื่อะไรเล ย, เลยก็ต้องเอาหลวงพ่อเขียนมาเป็นจุดขายเวลาท่านเทศให้เทศสภาว่าให้คนอื่นฟังไอ้เราจะบังคับคนทาเวลาก็ปฏิบัติจะบังคับก็ททำ ต้องทาตรงนั้นตรงนี้อย่าไปไหนห้ามพูดห้ามคุยเงี้ยบังคับกันเสร็จ <c oughs> แล้วตอนหลังเนะี่ย <c oughs> เห็นว่ากระใจแล้วว่าเขาต้องการที่จะดูหนังสือเกลนเลือกหนังสือของหลวงปู่เทียนเนเะท่าที่มีตัวเองก็มีส่วนหนึ่งมาหนังสือหลวงปู่เทียนเล่มเก่าๆแล้วก็มาเจอทีอ่ห้องสมุดนะตรงศาลาหน้าชั้นบนนะนะ ก็เลือกมาส่วนหนึ่งที่ไม่ซ้ํากันแล้วก็ญาติโยมะใครที่มีหนังสือเก่าๆ ก, ากา็ขอมาอีกส่วนหนึ่งแล้วก็เอาใส่ตู้เอาไว้ใส่คุณแจเลยนะเอาไว้โชยเฉยๆแล้วก็พิมพ์มาไว้ด้วยว่าหนังสือนี้มีไว้โชยไม่ได้มีไว้อ่านมีไว้โชยเฉยๆว่าเออที่เนี่ยมันมีหนังสือนะครูบาอาจารย์ท่านมีหนังสืออยู่แต่ที่เราไม่ให้อ่านเพราะต้องการให้อ่านตัวเองอ่านกายอ่านใจของตัวเองนะะ แล้วก็เห็นว่าได้ผลกันมากเลยเพราะว่ามาจำนวนน้อยๆเหมือนกับที่เราเก็บอารมณ์เข้มกันครั้งนี้นประมาณยี่สิบคนสามสิบคนอย่างเงี้ย น, น, นะรั่วสิบคนอย่าเงี้ยแล้วก็ตั้งใจทำจริงเจดวันก็ได้ผลเลยเจ็ดวั น, นะเกิดการเปลี่ยนแปลงกันมหก็คือก็เริ่มรู้ทันความคิดนะเริ่มเห็นความเป็นกลางใหม่ๆว่าแรกๆทำจะเพ่เจะจะเพง แล้วมันก็จะเก๊กเกลนพวกเนี่ยนะมันจะค่อยๆปลอนคลายออกมาคลายออกมาแล้วบางทีจะเผลออย่งี้ก็เริ่มเห็นแล้วว่ามีอาการเผลอด้วยแล้วก็เพ่งด้วยแล้วก็กลางๆด้วยอย่างนีแล้วบางทีก็มีความง่วงเกิดขึ้นมาแล้วก็ผ่านกันได้ไวนะสามวันนะก็ผ่านกันแล้วถ้าเป็นการนั่งทำเป็นกลุ่มเลยแล้วก็ยกมือสร้างจะวะด้วยกันเดินยกมด้วยกันเหมือนกับที่พวกเราอะนะเวลาฝนตกแล้วก็มาออกันจันล่างอย่างนะี้ออกัน ไอ้คำว่าออนะเข้าใจไหมเป็นภาษาทางระยองอ่ะหน้าหนาวปลามาออกันตรงปากช่องน้ําไหลไงปลาออกันหรือว่าเวลาเราไปกันเยอะๆนะไปดูหนังไง น, นะแล้วก็ตีตัว๋วก็ต้องไปออกันตรงประตูหน้าโรงหนังอะไรนะไปออกันนะก็คือมาชมนมกันนะนะของเราเหมือนกันประฝนพรำๆแล้วก็มาออกันเนี่ย อันนั้นมันจะมีพลังนะพอสักสามวันมันจะหายงวนปิดทิ้งเลยใจล้ำจะตื่นตัวขึ้นไหมทุกขณะที่มัรู้ทันความคิดนะผมเลือดมานะเป็นนะไม่รู้ว่าญาติโยมเป็นหรือเปล่ามีอยู่ในคราวครั้งหนึ่งวันนั้นเก็บอารมณ์แล้วก็เป็นตอนเช้านะออกมาบินบาทถือกติวาช่างวนพีหรือสีผอมเป็นลักษณะที่ดีนะ ถ้ลองพระอ้วนเนี่ยลักษณะจะไม่ดีตื่นก็คิดอย่างนั้นก็ยามตักข้าวมือเดียวแล้วก็เข้าป่าไปเลยตลอดเป็นอย่างเงี้ยฝึกนิสัย่าจะฉันมือเดียวตลอดนะคราวนี้อยู่มาวันหนึ่งนีมาเดินจงกรมอยู่ถือบาตรอยู่ด้วยนะแล้วมันเกิดมันรู้ทันความคิดนะแล้วก็มันมันชัดมากเลยฮะแล้วมันเกิดปิติตร์ก็มากดลูกสู้เลยแหละ แล้ววันนั้นมีพลังมากมากไม่มีพลังมีกาลังในการที่จะฝึกเดินจงกรมนั่งสร้างชวานะรู้สึกมันแปลกกว่าทุกวันก็เลยสังเกตว่าอ๋อเวลามันรู้สภาพธรรมแต่ละตัวแต่ละตัวถ้ามันรู้จริงๆนะรู้ชัดนะมันจะมีตัวปีติใจอะตัวความภาคภูมิใจนฮ้ยเฮ้ยที่ท่านพูดมีเครือการอย่างนี้ด้วยมัยนมีความภาคภูมิใจเป็นอาหารหล่อเลี้ยงจิตใจของเรา นั่นพระหรือนักปฏิบัตินะจะอยู่ได้โดยตัวปิตินะโดยตัวปิติใจอิม่มจะรู้สึกอิ่มอยู่คนเดียวนะไม่ลงมาฉาันก็ได้นะมันทำได้เลยหนึ่งวันสองวันสาวันไม่ต้องลงมาก็ได้มันจะอิมออ่มอกอิ่มใจมันมีความหวังชีวิตนี้เราจะไม่ทุกข์เนี่ยนะมันจะมีความสำเร็จคอยอยู่ในระยะใกล้ๆนะมันจะเร่งการงาน อารมณ์พวเวลาง่วงเหมือนกันพอเดินไปเดินไปมันหลุดเนี่ยโอ้โหมันจะเตือนตัวมองทางไหนมันชัดตลอดเป็นอารมณ์ปฏิบัติอารมณ์กรรมฐานเนี่ยจนกระทั่งมันมีพิติหล่อเลี้ยงแล้วก็ไม่หลงเข้าไปในพิธีก็เรียกองค์แห่งโพชงเจ็ดปรากรดขึ้นมาคือไม่หลงไปในอาการเลยสักตัวเดียวสงบก็ไม่หลงไมในความสงบเนี่ยมันมีปัสจัยเกิดขึ้นมาก็ไม่หลงในปัสจัยมีความสุขเกิดขึ้นมาก็ไม่หลงไมในความสุขเ มันมีความคิดเกิดขึ้นมาก็ไม่หลรอกในความคิดตรงเนี้ยมันจะปรับมาตรงในตรงที่เขาเรียกว่าช่องแคบนะภาวะของสมดุลให้สังเกตตัวเองแล้วกันมีอย่างซ้ายมีอย่างขวาหน้าหลังล่างบนมันมีมันอยู่ไม่ต้องหานะสัมผัสรู้ความสึกตัวเลยแล้วเวลามันมันออกจากฐานนะอย่าทําเล่นๆ น, นะเดินรีไปหากัน น, ะน่าเสียดายมากเพราะเวลามันหลุดจากอารมณ์นะโหตรงนั้นนะถ้าเราจับได้แนละ้วสภาวะตรงนั้นมันโหมันจําไม่ลืม ตลอดชาเนี่ยมันจำไม่ลืมนะลำเป็นสภาวะที่จะพัฒนาต่อยิ่งยิ่งขึ้นไปได้เนี่ยนะเป็นหนทางโดยสู่การพ้นทุกข์อา้าก็พูดให้ฟังนะในเบื้องต้นอารมณ์เบื้องต้นมันจะมีอารมณ์แบบนี้แหละนะปิติบ้างสงบบ้างเบื่อบ้างหรือว่าง่วงบ้างเจ็บปวดเมื่อยตัวบ้างแล้วก็มีความอดทนอุดกลันก้นเข้าไปขันติปรมังตะโปติติขานะขันติคือความอดกั้นเป็นธรรมเครื่องเผากี่เหลี อ, อย่างยิ่งแล้วก็ให้นะ จับกรรมฐานในชัดเห็นกายเคลื่อนไหวหเห็นใจคิดนึกนะตัวหนึ่งเดียวเท่านั้นแล้วก็พยายามเก็บเน้อเก็บตัวแล้วก็เจียมเน้อเจียมตัวนิดน่อให้สมกับเก็บอารมณ์เข้มนะเดี๋ยวพออีกวันสองวันน่ยคนจะเริ่มเยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้นพวกนี้ก็จะเป็นเทศกาลและล่ทีนะ่เรียกว่าวันสุกดิษฐ์นะวิสาขาบูชาญาติโยมมาสวดยอยกันมาแล้วก็นะักกรรมการของชาวบ้านนะหมู่บ้านต่างๆกรรมนันผู้ใหญ่บ้านจะเข้ามาเคลียร์พื้นที่กัน เตรียมตัวรับแนมเพลแล้ววันที่ย4สี่วันวิสาขาคนจะมาเยอะทั้งคนนอกคนในเราก็เตรียมใจให้ดีๆไม่เหมือนกับว่าปล่อยจิตปใจหมดเนอะหมดตัววิสาธรรมมาตั้งหลายวันไปตื่นตาตื่นใจกับลมไปนอกเนี่ยวเดียวเราก็จะต้องมาเริ่มต้นกันใหม่ในชะ่ไมดังนั้นก็ขอให้พวกเราที่ตั้งใจมาเก็บรม40สี่สิบวันก็ขอให้ ธรรมะสมควร แ, แก่การปฏิบัติก็เป็นตัวที่เรากําลังอนุบาลแล้วก็จะให้มันพัฒนาเป็นปฐมมัธยมและครูดมแล้วก็เรียนให้จบก็ขอให้พวกเราทุกคนทุกท่านเข้าถึงสภาวะของการมีสติตามสมควรแก่การปฏิบัติจนกระทั้งเดินถึงที่สุดแห่งกองทุกในบัตรปฏิยานชาตินี้โดยทุนากันทุกท่านทุกคนอันเตอ